เรว่าพวกที่ที่ยึดถือเพื่ออิสริยะทิฐิเนี่ยคือมีผู้ใหญ่สร้างมีพระพรหมสร้างมีพระอิศวนสร้างเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วอวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นตัณหาเป็นตัวสร้างเนี่ยนะวันถ้ากำหนดปัจจัยโดยเฉพาะกรรมมะปัจจัยถูกต้องอะนะกำหนดกรรมมะปัจจัยว่าอาวิชกกรรมกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกให้สัตว์ทั้งหลายเลวและประณีตกรรมทั้งหลายเป็นตัวจาแนกให้สัตว์ เกิดในสุคติและทุกคติกรรมเนี่ยเป็นตัวจําแนกให้เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าลายเป็นต้นแล้วกรรมเนี่ยเป็นตัวจําแนกการเกิดแล้วกรรมมาจากไหนพบมีอะไรเป็นปัจจัยกรรมก็คือกรรมมาพบแล้วพบมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยภาษาภาษามีอะไรเป็นปัจจัย สลายยตนาสลายตนามีอะไรเป็นปัจจัยนำรูปนำรูปมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชาก็ไล่อย่างเงี้ยคือสรุปว่ า, าทุกครั้งที่มีการเช่นทุกทวารเนี่ยนะอดีตตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันในเหตุและอนาคตผลต่อไปก็ทุกทวารจะเป็นระบบแบบนี้ตลอดทุกทวารเพราะนนั้ถ้ากําหนดปัจจัยแล้วสิ่งเหล่านี้จะว่าเกิดลอยลอยก็ไม่ใช่ จะว่ามีผู้ใดมาสร้างก็ไม่ใช่อิมาสะเกวรสสะทุกขขันธสะกองทุกทั้งมวลเนี่ยเกิดจากปัจจัยแบบนี้จึงไม่มีใครอยู่ในนี้มีแต่กองทุกทุกธรรมเหล่านี้มีอยู่จะว่าไม่มีเหตุก็ไม่ใช่จะว่าเหตุที่จากผู้ใดผู้หนึ่งมาสร้างก็ ไม่ใช่แต่ระบบเป็นไปตามปัจจัยแบบนี้ถ้ากำหนดปัจจัยได้อย่างนี้ะนะสรุปว่ากำหนดปัจจัยทั้งอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลได้ดังกล่าวไปละอหิตุกะทิฐิและวิสมะหตุกะทิฐิขณะเดียวกันถ้ากำหนดปัจจัยได้ก็จะละความสงสัยในอดีตเรียกว่าข้ามพ้นความสงสัยอันเป็นส่วนอื่นแห่งการกาหนดปัจจัยเช่นว่า บางคนนี่สงสัยว่าอดีตเราเคยมีหรือหนออนาคตเราจะมีไหมปัจจุบันนี่เรามีอยู่หรือหนออะคนนี้ก็สงสัยอดีตสงสัยอนาคตและก็สงสัยปัจจุบันสงสัยอดีตห้าสงสัยอนาคตห้าสงสัยปัจจุบันอีกหกก็รวมเป็นความสงสัยมีวัตถุสิบหเนี่ยนะความสงสัยอันนี้ถ้ากําหนดปัจจัยได้ว่าอดีตก็คือขันอนาคตก็คือขันปัจจุบันก็คือขันอดีตก็คือ สังคตะธรรมอนาคตก็คือสังคตะธรรมปัจจุบันก็คือสังคตะธรรมสังคตะธรรมเหล่านี้เนี่ยนะมาเป็นไปตามปัจจัยพนันอดีตก็เกิดจากปัจจัยในอดีตปัจจุบันก็เกิดจากปัจจัยที่ที่มาสร้างให้เป็นปัจจุบันอนาคตก็จะเกิดจากปัจจัยปัจจัยเหล่านี้ะนะทวนอีกครั้งว่าอดีตเหตุปัจจุบั น, นผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลที่เชื่อมโยงต่อไปในลักษณะนี้ถ้าเข้าใจแบบนี้มีเราในอดีตไหม มีเราในอนาคตไหมมีเราอยู่ในปัจจุบันไหมแต่กองทุกเหล่านี้มีใช่ไหมใช่กองทุกเหล่านี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหยบอกใช่แต่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันก็ยึดเออนั่นอดีตก็เราอนาคตก็ของเราปัจจุบันก็ของเราเพราะอะไรถ้าจะละการยึดถือว่าเราว่าของเราได้ต้องพิจารณากระลาปะพิจารณาเป็นกลาบกรลาบเลยใช่ไหมเอาทุกกระลาบมาเอาทุกผงมาวิจัยเลย คำว่ากลาบในที่นี้หมายถึงขันขันเนี่ยต่างโดยอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคมอดีตกลุ่ ม, อ, มอนาคตกลุ่มปัจจุบันกลุ่มภายในกลุ่มภายนอกกลุ่มยาละเอียดเลวประณนี๊ไกลและใกล้ก็พิจารณาขันเหล่านั้นนั่นแหละว่าอ น, นิจจังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะ น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเพราะอาดีตก็อ น, นิจจังเพราะสิ้นไปทุกขงังเพราะน่ากลัวอนัตตาเพราะไม่มีสาระอนาคตที่จะมีต่อไปก็อนิจจังเพราะสิ้นไปทุกขังน่ากลัวอนัตตาเพราะไม่มีสาระปัจจุบันนี้ก็อนิจจังเพราะสิ้นไปทุกขงังเพราะน่ากลัวอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะเป็นต้นถ้าพิจารณาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยางละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้โดยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะถือว่าอะไรว่าเป็นเราว่าเป็น ของเราเล่าก็ไม่มีมีแต่ความสิ้นไปมีแต่ความน่ากลัวและความไม่มีสาระนะี่ยนะคนที่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยปีติมันเกิดปีตินิการติอะไรเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นพัวนี้ก็สําคัญว่าปีติเป็นต้นเป็นมักว่าบรรลุแล้วมักตัวนี้แปลว่าบรรลุเลยนะีย ไม่ได้มักธรรมดานะถ้าเป็นแบบเออเนี่ยปีติก็เป็นหนึ่งในโพหูชงที่จะทําให้ตรัสรู้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่มันไปเข้าใจว่าปีติเป็นมักผลในสิเข้าใจว่าปีติเข้าใจว่ายนาเข้าใจว่าสุขเข้าใจว่าปัสสัททิเข้าใจว่านิการติเป็นองคมักเป็นอริยมักเพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดแล้วมาเกิดขึ้นเราบรรลุแล้วอันนี้แปลว่าไม่ใช่ทางและเข้าใจผิดไปแล้วส่วนการเจริญอนุปัสนาตามเห็นโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นแหละเป็น มักเนี่ยนะพอเป็นมัและอุเฉตททิติด้วยเห็นความเกิดขึ้นคือคือสมมุติว่าบางคนเนี่ยบอกว่าตายแล้วศูนย์ศูนย์จริงหรือชาตินี่มีอะไรเป็นปัจจัยอนะกรรมเป็นปัจจัยถ้าที่ไหนพูดถึงกรรมเป็นเหตุให้ปฏิสนธิที่นั้นจะต้องมีอวิชชาตันหา แล้วก็อาหารนามรูปเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นตัวเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออเนี่ยเราตายแล้วก็จบเลยตายแล้วก็ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเป็นต้นก็ไม่มีจึงไม่มีทุกอย่างเกิดที่ไหนก็หมดที่นั้นจบเลยศูนย์เนไหมใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าถ้ารู้เห็นว่าความเกิดขึ้นของสังขตะธรรมใหม่ๆเนี่ยเกิดจาก ปัจจัยเมื่อเกิดจากปัจจัยแบบนี้เนี่ยนะไอคนที่เห็นเกิดโดยปัจใจเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นอุเฉต ท, ทิฏฐิจริงแต่มันดันไปเป็นสัตสตทิฏฐิอีกงั้นมันก็เที่ยงอะสิเจอปุตตชนเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้พร้อมที่ตอนแรกก่อนเราบอกว่าตายแล้วศูนย์อุเฉตใช่ไหมกลัวมากกลัวจะศูนย์คิดไปคิดมาเออไม่ศูนย์นะมันยังมีอีกเอองั้นก็เทียงอะสิงั้นเที่ยงสบายเลยนะนจะต้องพิจารณาความเกิดขึ้น เพื่อละอุเฉททิฐิพิจารณาความเสื่อมไปว่าด้วยละสสตะทิฐิเนี่ยนะการละอุเฉททิฐิได้เนี่ยนะต้องรู้ว่าการเห็นความเกิดโดยปัจจัยละสาสตะทิฐิได้ก็เพราะละเห็นความดับโดยปัจจัยถ้าดับเหตุผลก็ดับถ้าเหตุเกิดผลก็มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ ไม่มีไอ้สิ่งนี้คืออะไรคือกองทุกทุกเหล่านี้เพราะมีเหตุนี้เป็นตัวเกิดถ้าเหตุเหล่านี้ดับทุก ana, เหล่ can, านี้ก็ดับแบบที่พระอัสชิแสดงกับพระสารีบุตรใช่ไหมธรรมเหล่าใดมีเหตุเป anyway. ็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับของธรรมเหล่านั้นด้วยนะถ้าถ้าเหตุดับผลทั้งหลายก็ดับนั่นเองฉะนนั้การรู้เหตุเกิดเนี่ยนะเพื่อจะละอุเฉททิฏฐิการรู้ว่าดับได้อย่างไรอันนั้นละสัตตทิฏฐิ มันเห็นความเสื่อมเสื่อมเนี่ยไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวก็ตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ละสัจสตทิฏฐิเลยไม่ใช่หรอกเนี่ยนะค่ะคําว่าเสื่อมในที่นี้เช่นอวิชชาดับขันห้าจึงดับถ้าตันหาดับขันห้าก็ดับถ้ากรรมดับขันห้าก็ดับถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาสัญญาสังขารก็ดับท่านอาหารดับรูปก็ดับเป็นต้นการพิจารณาว่าถ้าดับปัจจัยได้ปัจจุบันธรรมทั้งหลายผลทั้งหลายก็ถึงความดับไปเนี่ยนะ มันความรู้ความเข้าใจคำ ว, ว่าเหตุเกิดกับความดับนั้นจึงสามารถละ ส, สตติทิฏฐิและละอุเฉททิฏฐิได้ละความสําคัญว่าสิ่งที่ไม่น่ากลัวภัยนี่แปลว่าน่ากลัวสําคัญว่าไม่น่ากลัวในสิ่งที่น่ากลัวด้วยการเห็นภัยจริงๆเมื่อไหร่สังขารทั้งหลายมันก็น่ากลัวทั้งนั้นแหลแต่ไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมเอาเห็นคนอื่นยิ้มให้เราเรากลัวไหมโดยมากไม่กลัว แล้วจริงๆมันน่ากลัวไหมล่ะเอาเอาแต่มไม่เห็นว่า น, น่ากลัวตรงไหนเลยใช่ไหมเอาจริงๆแล้วพระองค์บอกว่ามันจริงๆแล้วมันน่ากลัวนแต่เราไม่เห็นกลัวอะไรเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้อ น, นิสง์ของสิ่งนี้ไม่รู้กรรมไรว่าโสกกะปริเทวะทุกโทมานัดและอุปายาตเป็นที่สิ้นสุดพันปกติเนี่ยเราไม่ได้เจริญพยตูปฐานใยานก็เลยไม่ได้คิดว่ามันน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมกลัวเลือเกินวัฏฏะนะ กลัวเล็กเกินว่าตัแต่ว่าแหมอันนั้นก็งามจังเลยน่ารักจังเลยเห็นหมายังสวยยังไงก็ก็โ อ, โอ้อีกนานต่อไปบอกว่าละความสําคัญว่าความยินดีด้วยการเห็นโทษยินดีตัวนั้นมาจากสาทะละอสาศทะด้วยการเห็นโทษเนี่ยนะโทษของอุปาทานขัน่าคืออะไรอสาศทะนี่ยินดีใช่ไหมว่าโอ้สิ่งนี้ก่อให้เกิดสุขและโสมนัสสิ่งใดก่อให้เกิดสุขโสมนัสสิ่งนั้นเป็น อสาทาอสาทาก็เกิดขึ้นแล้วโทษของสิ่งนั้นละ่ะเอ้า um, เหมือนกับเด็กนะสมมติถ้าดูเด็กนะตอนแบบยิ้มแย้มหัวเราะอู้น่ารักจังเลยนะตอนเถอะเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ร้องให้กระจองอาแงแล้วก็เห็นชัดได้ว่าเออไม่อาทีนวะปรากฏแล้วเนี่ยนะในขณะนั้นคนอายุ ม, มากก็ยังชอบเลี้ยงหลานอีกเนาะ <ja S 1> ยังบอกว่าเออมาลาแล้ ว, วช่วงนี้ไม่ได้มารียนออก่าทาไมอ่ะเลี้ยงหลาน ตามใจกันแล้วกันนะทวงเรื่องนะคนเดียวอยู่กับสบายใจละความสําคัญว่ า, าละความสําคัญในความยินดียิ่งด้วยการตามเห็นด้วยความเบื่อหน่ายนะพี่นันทะนะเนี่ยคือ ย, ยินดียิ่งเลยนะตามยินดียิ่งโดยตามเห็นด้วยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายคือความเห็นความเบื่อหน่ายก็คือพวกอนุปัสสนานั่นเองนะจริงๆกลุ่มเรานเนี่ยก็คืออนุปัสนาที่มีกําลังละความเป็นผู้ใครจะพ้น อันนี้ด้วยมุลจิตุกรรมมยตาอาธานะคือความยึดถือใช่ไหในอนุปัสนาเจเนี่ยนะถ้าตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงละอะไรละนิจจะนิสัญญาถ้าตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์ละสุขสัญญาถ้าตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาละอัตตสัญญาตามเห็นโดยนิพิทาละนันทีคือความเพลิดเพลินถ้าตามเห็นด้ดยคลายกาหนัดละ ราคาถ้าตามเห็นโดยความดับละสมุไทยถ้าตามเห็นโดยความสละคืนละอาฐานะคือความยึดถือมันไอสมุลจิตุกรร ม, มยตายานก็คือพวกปฏิสักกานุปัสนานั่นแหละนะละอาฐานะคือละความยึดถือละความไม่วางเฉยด้วยอุเบกขานะอุเบกขาหมายถึงอุเบกขาแบบแบบอะไรนะเดินหาช่องทางที่จะออกอยู่ตั้งนานแล้วมันเหมือนอะไรนะมันแล้วมันยังออกไม่ได้เหมือนกับ คนที่ที่ยืนอยู่บนหัวเรืออยากจะขึ้นฝั่งเต็มทีแล้วแล้วเรือก็ดูแล้วดูอีกทำไมไม่ถึงฝั่งสักทีหนึ่งแล้วก็เฉยเนี่ยนะเฉยแบบเรือเล่นไปนะไม่ใช่เฉยแบบจ่อเรือนะเฉยแบบแบบเรือกําลังเล่นไปแบบเฉยแบบนั้นก็เฉยเตรียมออกไม่ใช่เฉยนั้นคําว่าสังคารุปเปกขายานหรืออุเบกขายาณตรงนี้ละความไม่วางเฉยคือบางทีเนี่ยมันความต้องการมันรุนแรงเกินไปมันก็ไม่สามารถที่จะออกได้ถ้าอินทรีย์ไม่บริโภคนี่มันบรรุได้ไหม ถึงอยากจะบรรลุขนาดไหนถ้าอินรี่ห้าไม่ประชุมกันก็บรรลุไม่ได้โดยเฉพาะวียรตีไม่บวกเข้ามาผสมสักทีนึงก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะต่อไปละละอะไรปฏิโลมในปฏิจจสมุบาทภาวะปฏิโลมในปฏิจจสมุบาทกับละปฏิโลมในนิพพานด้วยอนุโลมายานปฏิโลมในปฏิจจสมุบาทคืออะไร ปฏิโลมในธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิตัวนั้นคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะปฏิโลมในปฏิจจสมุปบาทก็คือพวกสัสตตทิฏฐิกับอุเฉท ท, ทิฏฐิละที่สัสตตทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐินี่ปฏิเสธปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นละภาวะปฏิโลมคือละอุเฉท ท, ทิฏฐิละสัสตตทิฏฐิและละปัจยาการปฏิจฉาทกาโมโหวาหมายว่าละโมหะที่ปกปิดปัจยาการ ละอวิชาที่ปกปิดปัจจยการเรียกว่าละทำละภาวะปฏิโลมด้วยธรรมทิฏฐิละปฏิโลมธรรมทิฏฐิเนี่ยนะก็คือละละอะไรละสัสตตทิฏฐิละอุเชธาทิฏฐิละอวิชาที่ปกปิดโมหะด้วยอนุโลมายานนี้ในหนึ่งในที่สองละภาวะปฏิโลมในพระนิพพานเนี่ยนะก็คือนิพพานเนปฏิโลมภาวเนี่ยนะก็คือสิ่งที่ขัดแย้งต่อการบรรลุพระนิพพานคืออะไรรู้ไหม อะไรขัดแย้งต่อการบรรลุนิพพานที่สุดบาลีท่านบอกว่าสังขารเรโซรติรติแปลว่ายินดีสังขารเรโซในสังขารความตามยินดีในสังขารเท่าไหรน่นี้ขัดแย้งต่อการบรรลุนิพพานโดยส่วนเดียวยังไงก็ไม่บรรลุหรอกเชื่อออันนั้นก็ดีนี่ก็ใช้ได้นั้นก็ไม่เลวถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องบรรลุหรอกเชื่อเถอก็สรุปว่าวิธีสร้างวตะง่ายมากตามยินดีน่าดูไปทุกเรื่องเลยนะ อันนี้แหละวิธีสร้างวัตะถ้าวิธีออกจากวะตฏะมีปัญญาเห็นโทษไปทุกเรื่องอนะมีปัญญาเห็นโทษกับเพ่งโทษโคละอันกันนะเพ่งโทษนี่มันด้วยโทสะแต่ว่าเห็นโทษกับทุกเรื่องนะเห็นโทษกับทุกสังขารหรืออีกหนึ่งภาวะปฏิโลมต่อ น, นิพานก็คือโมหะที่ปกปิดนิพานโมหะที่ปกปิดนิพานเพราะฉันต์การอนุโลมญาเ น, นี่ยละ สัสถะทิฏฐิละอุเฉตทิฏฐิละโมหะที่ปกปิดปฏิจจสมุบาทปกปิดทุกขสัจกับสมุทัยสัจละโมหะที่ปกปิดนิโรสัจเนี่ยนะละโมหะที่ปกปิดนิโรสัจะละความยินดีในสังขารด้วยอนุโลมายามทีนี้อนุโลมายานเนี่ยที่ใช้คำว่าอนุโลมมันอนุโลมต่ออะไร